หายไปเธอเป็นอย่างไรกนถนจรงจังอยากจะกอดเธออีกครั้งแต่คงไม่มีโอกาสแล้วเธอฝากเขาดูแลเธอดีๆนะกันนะ เธอได้จากไปฉันเสียใจจะรู้บึงไหมวลารกย แต่นนนคนที่ฉันให้ใจนั้นไปคือเธอคนเดียวเท่านั้น i n o a h yeah.